คือถือเอาการเคลื่อนไหวทุกส่วนของของชีตเมวนอพุโทโธสมมาหังเนี่รวมเข้ามาเป็นวิธีการเคลื่อนไหวทั้งหมดถ้าเราเคลื่อนไหวชัดเจนถูกต้องอย่างเดียวมยเราได้ทำทุกวิธีในในวิธีการนั้นดังนั้นเราก็ไม่สงสัยเรื่องความถูกเรื่องความการเคลื่อนไหวเนี่ยแต่ความถูกต้องเราต้องสงสัยอยู่แล้วว่าเราทำได้ถูกต้องหรือเปล่าตรงนี้เราก็ต้อง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 การปฏิบัติที่มากกว่าเราก็จะช่วยได้ในเรื่องมิเชส ม, ม 20, 30, 30, 30, ุดตั้งย0่สิบสามสิเรื่องันจะตรวจละเอียดทั้งหมดคนเดียวได้ไงนีอันนี้ผมก็จะมีวิธีการนะครับจะให้คนอื่นได้ช่วยไยเอาประเด็นประเด็นสำคัญเข้ามาตรวจสอบอันนั้นก็ในแต่ละวันในช่วงเย็นก็จะนำเอาส ม, มุดบันทึกมาตรวจอตอนอมริกันในช่วงเย็นช่วงเช้าก็รับเอาไป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 คุณสมบัติหประการก็คือหลักอีซห้านั่นเองนะครับเมื่อเราตรวจสอบครั้งห้าประการนั้นเราก็จะเกิดผลเรียวพระห้าเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานทั้งหมดในหมวดโพธิปัจกียธรรม ท, ทั้งหมดเราจะนํามาใช้โพธิปัจกียธรรมสาสิบเประการนะครับมีสติปัฏฐานสสมมปทานสีอิทธิบาท4ี่อซีห้าพระห้าโพชงเจตอริมักมีองแปด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 แล้ ว, วท่านตัดสู่อย่างไรท่านหมดทุกอย่างไรถึงแม้ว่าเรายังทําไม่ได้แต่เราเราสนใจเราใส่ใจที่จะศึกษาว่าเอ๊ท่านบรรลุทำอย่างไรเออท่านเข้าถึงทำอย่างไรเอาเรื่องเนี้ยมามาค่องแวะอยู่ในสํานึกอยู่เสมอถ้าเรียกว่าเป็นโพธิสัตว์คือค้องแวะในความรู้ในเรื่องการตัดสู่แต่ถ้าว่าค้องแวะในความรู้ทั่วไปความรู้เรื่องศาสตร์นิวศาสตร์นิเวียาศสาสตร์เกษตรศาสตร์ธรรมศาสตร์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 เพลินจะออกมาเป็นอาการห่าใช่ไหมท่านต๋องอเออนั่นนะมันก่อนที่จะหา่ามันอาการเป็นไงได้ศึกษาหไห ม, มนั่นนะสติที่เราปฏิบัติมาสแสดงมันไม่ถูกเพราะมาศึกษาที่เหตุปฏิบัติมาทั้งนานแต่ว่ายังจัดการกับความมุ่งความม่วงเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากเพลินเพลินเกิดมาจากนันที่แปลว่นานเพลินครับพระพุทธเจ้าท่านบอกตัดให้ละนันทินันที่ปลว่าเพลินที่นี่เพลินมาจากอะไรเพลินมาจากความพอใจความพอใจเกิดมาจากความสบายความยินดี